สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิจพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในพระธรรมหนึ่งพงกษบทที่2ี่พระธรรมหนึ่งพงกษบทที่ยี่บข้อ1ถึงข้อ34ครับโปรดฟังพระว จ, จนะของพระเจ้าครั้งนั้นกษัตริย์เบนฮาดัดแห่งอารำยกกองทัพมาสมทบกับกษัตริย์32ององค์พร้อมรถม้าศึกและม้า เข้าล้อมและโจมตีสมาเรียเบนฮาดัตทรงทูดเข้ามาในเมืองแจ้งกษัตริย์อาหับแห่งอิสราเอลว่าเบนฮาดัตตรัสว่าเงินและทองของท่านเป็นของเรามาเหสีและโอรสทิดาที่ดีที่สุดของท่านก็เป็นของเราด้วยกษัตริย์อิสราเอลตอบว่าข้าแต่เจ้านายตกลงตามที่ท่านว่าข้าพเจ้าและ ทั้งหมดที่ข้าพเจ้ามีเป็นของท่านแล้วทูตกลับมาแจ้งอีกว่าเบนฮาดัดตรัสว่าเราส่งคนมาเรียกร้องเอาเงินทองไม้สีโอรสทิดาของท่านแต่พรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้เราจะส่งคนมาตรวจดูราชวังของท่านและบ้านเรือนของข้าราชการแล้วจะริบเอาของมีค่าทุกอย่างไปจากท่าน กษัตริย์อิสราเอลจึงเรียกชุมนุมผู้อาวุโสทั้งหมดและตรัสกับพวกเขาว่าดูชายคนนี้สิเขาพาลหาเรื่องเราเมื่อเขามาเรียกร้องเอาเหสีโอรสธิดาเงินและทองของเราเราก็ไม่ขัดขืนผู้อาวุโสและประชากรทั้งปวงทูลว่าขออย่าทรงฟังหรือยอมตามข้อเรียกร้องของเขาเลยอาหับ จึงตัดแก่ทูตของเบนฮาดัตว่าช่วยไปทูลกษัตริย์เจ้านายของข้าพเจ้าเถิดว่าผู้รับใช้ยอมทุกอย่างตามที่ทรงเรียกร้องในครั้งแรกแต่ข้อเรียกร้องครั้งหลังนี้ไม่อาจทําตามได้ทูตจึงกลับไปรายงานเบนฮาดัตแล้วเบนฮาดัตก็มีพระดำรัสมาถึงกษัตริย์อาหับอีกว่าขอให้เทพเจ้าทั้งหลายจัดการกับเราอย่างหนักหากในสมาเรีย ยังเหลือฝุ่นพอให้คนของเราคนละกรร ม, มือกษัตร์อิสราเอลตอบกลับไปว่าจงทูลพระองค์ว่ายังไม่รู้แพ้รู้ชนะอย่าพึ่งคุยโวพระดํารัตตอบนี้มาถึงขณะที่เบนฮาดัดและกษัตย์ทั้งหลายกําลังดื่มกันอยู่ในพับพราที่ประทับเบนฮาดัดตรัสสั่งคนของตนว่าเตรียมบุกโจมตีพวกเขาก็เตรียม เข้าโจมตีเมืองนั้นขณะนั้นมีผู้เผยเพจนะคนหนึ่งเข้ามาเฝ้ากษัตริย์อาหับแห่งอิสราเอลและประกาศว่าองค์ผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเจ้าเห็นกองทัพมหืมานี่ไหมวันนี้เราจะมอบไว้ในมือของเจ้าแล้วเจ้าจะรู้ว่าเราคือพระยาเวออาหับตรัสถามว่าแต่ใครจะเป็นผู้ทาการครั้งนี้ผู้เผยเพจนะตอบว่า อง์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าบรรดาทหารหนุ่มจากเหล่าผู้บัญชาการภูมิภาคต่างๆอาหับตรัสถามว่าใครจะเป็นผู้เริ่มรบผู้เผยพรชนะทูลว่าฝ่าพระบาทนั่นแหละอาหับจึงทรงรวบรวมบรรดาทหารหนุ่มจากเหล่าผู้บัญชาการภูมิภาคต่างๆได้232คนแล้วระดมกำลังพลอิสราเอลได้ทั้งสิ้น 7,000 คน ประมาณเที่ยงวันขณะที่เบนฮาดัดและบรรดากษัตรพันธมิตรอีก32องค์กำลังมึนเมาอยู่ในที่ประทับบรรดาทหารหนุ่มจากเหล่าผู้บัญชาการภูมิภาคก็บุกขึ้นหน้าไปก่อนผลรักษาการที่เบนฮาดัดวางไว้ทุนรายงานว่ามีกองทหารรุกมาจากสมาเรียาเบนฮาดัดตัดสั่งว่าไม่ว่าพวกเขาจะมาอย่างสันติหรือมาทาศึกก็ให้จับเป็นบรรดาทหารหนุ่มจากเหล่าผู้บัญชาการภูมิภาค เคลื่อนพลออกจากเมืองโดยมีกองทัพตามไปแต่และคนต่างสังหารฆ่าศึกคนอารัมพ่ายหนีและคนอิสราเอลก็รุกตามฝ่ายกษัตริย์เบนฮาดัดแห่งอารัมและพลม้าบางคนขี่มา้าหนีไปได้แต่กษัตริย์แห่งอิสราเอลก็รุกคืบหน้าเข้ายึดม้าศึกและรถม้าศึกไว้และกองทหารอารัมต้องพ่ายแพ้ยับเยินหลังจากนั้น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 และทําตามที่พวกเขาทูนในฤดูม้ไม้ผลิต่อมาเบนฮาดัตทรงเกณฑ์ทัพอารมยกมาที่อาเฟกเพื่อรบกับอิสราเอลฝ่ายอิสราเอลก็ระดมพลแจกสเสบียงแล้วเข้าสู่สนามรบกองทัพอิสราเอลตั้งค่ายประจันหน้าแลดูเหมือนฝูงแพะเล็กๆสองฝูงเมื่อเทียบกับกองกำลังมืดฟ้ามัวดินของอารม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 ขอให้พวกข้าพระองค์นุ่งผ้ากระสอบเอาเชือกคาดศีรษะไปเข้าเฟอกอิสราเอลเผื่อพระองค์จะทรงไว้ชีวิตฝ่าผาบาทและพวกเขาก็นุ่งผ้ากระสอบเอาเชือกคาดศีรษะเข้าไปเฝ้ากษัตริย์อิสราเอลและทูลว่าเบนฮาดัดผู้รับใช้ของฝ่าระบาททูลวิงวอนว่าขอโปรดไว้ชีวิตข้าพระเจ้าด้วยเถิดกษัตริย์ตรัสว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือเขาเป็นน้องของเรา คนเหล่านั้นรีบฉวยโอกาสทูลว่าพระเจ้าค่ะเบนฮาดัดพระอนุชาของพระองค์กษัตริย์ตรัสว่าไปรับตัวเขามาเมื่อเบนฮาดัดมาถึงอาหับก็เชิญให้ประทับร่วมกันในราชรถเบนฮาดัดทูลเสนอว่าข้าพเจ้าจะคืนหัวเมืองต่างๆที่เสด็จพ่อของข้าพเจ้ายึดมาจากเสด็จพ่อของท่านและท่านจะตั้งแหล่งค้าขายในเมืองดามัสกัสเหมือนที่บิดาของข้าพเจ้า ตั้งในเมืองสมาเรียก็ได้อาหับตรัสว่าเราจะปล่อยท่านไปตามเงื่อนไขของสนธิสัญญานี้ทั้งสองจึงทาสนธิสัญญากันแล้วอาหับก็ปล่อยเบนฮาดัดไปพีป่น้องครับพระเจานะของพระเจ้าก็มาถึงตอนนี้ครับก็เป็นตอนที่ยาวมากครับแต่ว่าเราได้เห็นบทเรียนต่างๆเหล่านี้หลายบทด้วยกันเราจะเห็นว่าแม้ว่าอาหับชั่วร้าย แล้วก็แต่งงานเยเซเบลซึ่งเป็นมเหสีราชินีที่ชั่วร้ายแต่พระเจ้าเป็นความรักพระเจ้านั้นได้เข้ามาหาเขาด้วยความรักเมื่อสมาเรียหรืออิสราเอลฝ่ายเหนือนั้นถูกกองทัพอารัมล้อมไวอารัมนั้นเป็นชนชาติที่อยู่ทางเหนือของอิสราเอลพระเจ้าทรงช่วยกู้สมาเรียาจากกองทัพของอารัมอย่างอัศจรรย์มาก แต่พี่น้องครับอาหับได้รับการช่วยเหลือได้รับการช่วยกู้ได้เห็นว่าพระเจ้านั้นเป็นพยาเวผู้ยิ่งใหญ่แต่อาหับนั้นก็ยังไม่ยอมถวายเกียรติแด่พระเจ้าหนึ่งปีต่อมาชาวอารามยกใหม่ครั้งหนึ่งใกล้เมืองอาเฟกพระเจ้าทรงให้ชัยชนะแก่อาหับอีกครั้งหนึ่งแต่เขาก็ยังไม่ยอมรับว่าพระเจ้าทรงช่วยเหลือเขานั่นเป็นสิ่งที่น่าเสียใจมาก นี่เป็นบทเรียนบทแรกในชาวนี้ครับบทเรียนที่2ครับก็คือเราจะเห็นว่าการรบพุ่งในแผ่นดินอิสราเอลนั้นเนื่องจากว่าอิสราเอลนั้นก็มีพื้นที่เป็นภูเขาเสียส่วนใหญ่้างอิสราเอลนั้นมีชื่อเสียงเก่งกาจในการรบบนภูเขาครับแต่ในที่ราบหรือหุบเขานั้นมันจาเป็นต้องใช้ม้าศึกและเทียมกับรถม้าศึกในการต่อสู้รถม้าศึกนั้น เป็นรถที่เทียมด้วยมา้ามันใช้ไม่ได้ในที่สูงชันและในป่าทึบแต่ในที่ราบนนั้มันสามารถใช้ได้และสามารถที่จะล้มทหารเดินเท้าได้เป็นจํานวนมากด้วยรถม้าศึกเหล่านี้เพราะฉะนั้นข้าราชการของเบนฮาดัตนั้นเขามีความเชื่อมั่นว่าอิสราเอลนั้นรบดีในที่ที่เป็นที่สูงที่มีหินที่เป็นภูเขาแต่ ไม่เก่งในที่ราบพวกเขาจึงวางแผนโจมตีอิสราเอลให้พ่ายแพ้ไปโดยใช้ที่ราบเป็นสนามรบพี่น้องครับเบนฮาดัดไม่เข้าใจพระเจ้าต่างหากครับที่ประชานชัยชนะในสงครามไม่ใช่รถม้าศึกเพราะฉะนั้นในการทำสงครามสองครั้งปรากฏว่าครั้งแรกนั้นอยู่ในที่สูงภูเขา ครั้งที่สองนั้นอยู่ที่ที่ราบและที่ราบนี้เรียกว่าอาเฟก ค, ครับแต่ทั้งสองครั้งเบนฮาดัดก็พ่ายแพ้ทั้งสองครั้งนั่นหมายความว่าพระเจ้าถ้าหากว่าพระองค์ต้องการให้ใครชนะแล้วแล้วก็ไม่มีใครที่จะสามารถขัดขวางได้และไม่ต้องเลือกสมรภูมิครับสมรภูมิใดก็ได้คนของพระเจ้าก็จะชนะวันยางคำดังนั้นบทเรียนนี้ แสดงให้เห็นว่าต่อให้เราวางแผนดีอย่างไรต่อให้เราได้คิดการล่วงหน้าอย่างไรก็สู้แผนการของพระเจ้าไม่ได้สู้น้ําพระทัยของพระเจ้าไม่ได้และสู้สิ่งที่พระเจ้าได้วางไว้ไม่ได้ดังนั้นชีวิตของเรานะครับจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสืบค้นดูน้ำพระทัยของพระเจ้าว่าพระองค์ต้องประสงค์สิ่งใดและเรากําลังทําอะไรอยู่ พี่น้องครับผมจะขออนุญาตใช้พระเจนะของพระเจ้าในพระธรรมสรุปดีที่ว่าข้าพระองค์ปิติยินดีที่กระทําตามน้ำพระทัยของพระองค์พระธรรมของพระองค์อยู่ในจิตใจของข้าพระองค์ซึ่งได้อยู่ในพระธรรมสรุปดีบทที่40ข้อที่8ครับพี่น้องครับการที่จะระวังทําตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องให้พระเจนะของพระเจ้า อยู่ในหัวใจของเราอาเมน